ข้อความในเจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วเนี่มาขึ้นปัญหาข้อที่13ปัญหาข้อที่13ในหน้า657้าคำถามมีว่าอะไรเป็นอุบายให้สำเร็จบารมีอุบายหรืออุปกรณ์เครื่องมือหรือวิธีการนะนะวิธีการที่จะทำให้บารมีสำเร็จได้เนี่ยทำอย่างไร อุบายเนี่ยโดยสัพแล้วว่าความฉลาดเนี่ยนะความฉลาดที่จะทําให้บา ร, รมีเนี่ยสำเร็จได้เนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างก็ตอบว่าการสะสมบุญญาทิสมพานเนี่ยนะสะสมบุญสะสมญาณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุญเหล่าใดไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือแม้กระทั่งสติปัญญาทั้งหมดเนี่ยนะอุทิศ ส, สัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ต้องทําสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ทำไม่ให้บกพร่องคือหมายความว่าในการสั่งสมบุญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจะต้องทําบุญทุกประเภททําบุญทุกชนิดบุญ ท, ทุกอย่างที่ทำเนี่ยท่านบอกอุทิศอุทิศแปล ว, ว่าเจาะจงหรือมุ่งหมายมุ่งหมายหรือว่ามุ่งเฉพาะสัมมาสัมโพธิยามเท่านั้นเหมือนอย่างว่าการก่อสร้างเลยนะเพื่อจะสร้างยอดนะเสื้อสร้างยอดสูง น, นะฐานทั้งหมดที่ ที่กระทาก็คือรองรับยอดที่สูงสุดเนี่ยนะบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลตลอดจนถึงการเจริญปัญญาคุณงามความดีทุกอย่างบุญที่มีอยู่ในโลกทุกชนิดเนี่ยนะจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเท่านั้นคือสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้เรียกว่าสัพพะสัมภาระสัพพสัมภาระภาวนาทาบุญทุกชนิดทําบุญทุกประเภท มุ่งโพธิญาณการทําบุญนั้นทําโดยความเคารพในสัมมาสัมโพธิญาณนั้นทําด้วยความเอือ้อเฟื้อแล้วก็ทําด้วยความนับถืออย่างมากเฉะั้นบุญนั้นที่ทำเนี่ยนะทำบุญเยอะทําบุญมากไม่ใช่สักแต่ว่าทําไปทําทิ้งๆิคว่างคว่าแบบไม่เหลี้ยวแลทําแบบคนไม่สนใจเนี่ยน ะ, ะไม่ใช่แบบนั้นทุกอย่างนั้นทําด้วยความเคารพเคารพนี่แปลว่าหนักแน่นทําด้วยความหนักแน่นเอาใจใส่ เอาจริงเอาจังเอาเป็นการเป็นงานเอาเป็นธุระว่าั้นนะคือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ในตําแหน่งใดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดเมื่อใดที่ใดท่านถือว่าการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องอื่นรองทั้งหมดเลยนะประเด็นอื่นๆรองทั้งหมดนั้นบุญใดก็ได้ที่จะทําเพื่อให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถือว่าบุญเหล่านั้นเป็นอันดับที่หนึ่ง เป็นเบื้องต้นเนี่ยนะที่จะต้องให้ความสําคัญนั้นให้ความสําคัญกับการทําบุญมากกว่าอย่างอื่นเรื่องอื่นก็เป็นประเด็นรองทั้งหมดเนี่ยนะท่านจึงทําบุญนั้นทําด้วยความเอื้อเฟื้อทําด้วยความนับถือทําด้วยความจริงจังเนี่ยนะถือเอาว่าเป็นภาระอันนี้เรียกว่าสักกัจภกกจภาวนาเนี่ยนะสักกัจจภาวนาทําด้วยความเคารพเคารพในบุญจริงๆการทําความเพียรหรือทําบุญนี้ทําอย่างติดต่อด้วยความพยายาม ให้บุญเนี่ยเป็นไปอย่างตามลําดับให้บุญเหล่าเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องท่านเรียกว่านิรันตะภาวนานี่ย น, นะบั้นบุญที่ทํามากทําเยอะทําด้วยความเคารพนั้นไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวแล้วเลิกแต่เป็นบุญที่ทําอย่างสืบเนื่องเหมือนอย่างว่าคลื่นในท้องทะเลเป็นคลื่นที่สืบเนื่องอะนะมีมาเป็นระยะระยะไม่ขาดตอนไม่ขาดช่วง ชันใดบุญกุศลคุณงามความดีที่พระโพธิสัตว์กระทาก็เหมือนกับคลื่นในท้องทะเลฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าไม่มีขณะใดาที่ท้องทะเลว่างจากคลื่นฉั้นใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะีกิจกรรมของท่านชีวิตของท่านมุ่งทําบุญอย่างบ่อยแล้วก็สืบเนื่องเป็นไประลอกแล้วระลอกเล่าทําแล้วทําเล่าไม่มีจบมีสิน้นพันธุเรียกว่าทําอย่างต่อเนื่องติดต่อตลอดและสุดท้ายบอกว่า ทำความพยายามตลอดกาลนานในระหว่างด้วยการให้ถึงที่สุดเรียกว่าจีระกาลภาวนาทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะต่อเนื่องยาวตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับในระหว่างนี้ทําไม่ได้หยุดทําได้หย่อนก็เลยเรียกว่าภาวนาสีเนี่ยนะภาวนาสีที่พระองค์ได้เจริญมาไม่ว่าจะสัพพสัมภาระทําบุญทุกชนิดทุกประเภทนิรันตระทำอย่างสืบเนื่องจีระกาล ทำโดยใช้เวลาเนื่นนานสุดท้ายทําด้วยความเคารพทําด้วยความตั้งใจจริงเพฉะนั้นปริมาณการของอุบายให้สําเร็จเนี่ยนะส่วนการเวลาจริงก็คือ4ี่อสงไขยแสนกับนี่มาดูการการทำบุญที่ประกอบไปด้วยองค์สการทําบุญที่ประกอบไปด้วยองค์สีนี่แหละเป็นอุบายให้บารมีสําเร็จด้วยประการอย่างนีอ้องค์ประกอบ4ประการก็คือทําบุญทุกชนิดตั้งไว้เลยว่าจะทําบุญทุกชนิด ไม่มีส่วนเหลือสองบุญแต่ละอย่างที่ทำทำด้วยความเคารพทําด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็บุญเหล่านั้นที่ทําก็ทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเวลาจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นองค์สี่นี่แหละที่ตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยที่เป็นตัวที่ทําให้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือถ้าดูตามนี้เนี่ยนะแสดงว่าพระโพธิสัตว์นั้นได้รับการวางแผนเป็นอย่างนี้ในการเจริญกุศล ท่านท่านเท่ากับมองเห็นเลยว่าตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับที่จะได้เกิดการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่ามันนานมากทีนี้มันนานมากเนี่ยก็มาพิจารณาใครครวนว่าบุญที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างท่านก็คือสมาทานว่าที่ทุกผลทุกแห่งในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อกิจกรรมหลักของชีวิตก็คือการสร้างบารมีสร้างบุญสร้าง กุศลแล้วบุญกุศลที่ทำเนี่ยนะต้องทำด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเป็ น, ปนการเจริญกุศลเพื่อกุศลเจริญกุศลเพื่อกุศลเจริญกุศลเพื่อเพื่อกุศลต่อตอไปเนี่ยนะ จากกุศลเล็กน้อยเป็นกุศลระดับสูงจากกุศลเล็กน้อยเป็นกุศลระดับสูงตั้งเป็นวิเศษภากดีเนี่ยนะตั้งเป็นวิเศษภากยะเพราะฉะนั้นบุญบา ร, รมีของพระองค์ที่กระทำเนี่ยจึงเหนือสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะไม่ต้องเอาบุคคลอื่นไปเปรียบไม่ต้องเอาบุคคลอื่นไปแข่งเพราะท่านจะเสมอกับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นนะเรียกว่าเสมอกับบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเท่านั้น พันบุญเหล่านี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้มันสูงสุดสูงสุดเนี่ยนะทานก็ทานอย่างสูงสุดศีลก็ศีลอย่างสูงสุดนั้นเป็นการวางรากฐานในการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นอุบายที่ทำให้สาเร็จนะนะโดยวิธีการวางแผนเป็นอย่างดีอันหนึ่งพระมหาสัตว์ผู้ปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นควรมอบตนคี่เรียกว่าสละชีวิตของตนแด่พระพุทธเจ้า เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณก่อนทีเดียวว่าข้าพเจ้าขอมอบอัตภาพนี้แด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขั้นต้นท่านบอกว่าขั้นต้นคืออะไรขั้นต้นขั้นแรกเลยที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือถวายชีวิตนี้ให้พระพุทธเจ้าซะอุทิศกายวาจาใจแด่พระพุทธเจ้าทั้งกายทั้งชีวิตนี้ถวายพระพุทธเจ้าบุญทุกอย่างทุกอย่างทําเพื่อพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ คือถ้าก็บอกว่าท่านไม่มีอะไรเป็นของท่านมีแต่ของพระพุทธเจ้ามองว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยคือสมบัติของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราสวดสวดกันคล้ายๆว่าพุทธสหสมิทาโสวะเนี่ยนะก็คือทาศีวะก็คือเราขอเป็นทาสของพระพุทธเจ้าหรือข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าอย่างที่เราสวดสวดกันแต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านทาอย่างนั้น่ะท่านทาจริงไม่ใช่ว่า ความไพรเราะที่โบราณพาว่าเนี่ยนะเออเพราะดีก็เลยว่าตามไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามีความตั้งใจแบบนั้นจริงๆสละอย่างนั้นจริงๆทีนี้เมื่อสละชีวิตสละอัตภาพให้แก่พระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็ควรสละก่อนแต่จะได้วัตถุที่ห่วงแหนในทานนมุก ค, คือหมายถึงว่าเมื่อสละชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ยนะให้พระพุทธเจ้าหมดแล้วถือว่า ชีวิตคือสมบัติทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วที่นี้เนี่ยมันจะมีของข้าวของเกิดขึ้นถามว่าข้าของอันนั้นตั้งไว้เลยว่าจะให้ยังไม่ได้หรอกแต่คิดให้ก่อนนะท่านบอกว่าควรสละก่อนแต่จะได้วัตถุที่หวงแหนรู้ว่าเราจะได้ของอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้คิดจะให้ก่อนตั้งยังไม่ได้เลยนะ อย่างเช่นสมมติว่าเหมือนกับจะได้ขนมมาสักก้อนหนึ่งเราจะให้ขนมก่อนที่จะได้ขนมคิดจะให้ขนมก่อนที่จะจะมีขนมคือคนที่ให้ได้จริงๆเน่ยนะคือคิดจะให้ตั้งแต่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจึงให้ได้เพราะฉะนั้นคิดจะให้ตั้งแต่ของอยังไม่มีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นของใช้ประจําชีวิตซึ่งเกิดแก่ข้าพเจ้าสิ่งนั้นทั้งหมดเมื่อมีผู้ขอ ข, อข้าพเจ้าจักให้ขอให้เขาขอเถอะเราจะให้ทั้งหมดให้แบบ ไม่มีส่วนเหลือเพรา ะ, ะชีวิตนี้ก็เป็นของพระพุทธเจ้าแล้วข้าวของทั้งหมดถือว่าเป็นของสาธารณแก่โลกผู้ใดปรารถนาะผู้ใดต้องการผู้นั้นจงเอาไปเสด็จมาข้าพเจ้าจะให้เหมือนกันข้าพเจ้าจักบริโภคส่วนที่เหลือแก่ยาจบทั้งหลายเท่านั้นจะขอใช้แต่ของที่เหลือจากการให้เท่านั้นนะถือการให้เป็นลําดับแรกถื อ, อส่วนเศษที่เหลือเท่านั้นแหละตัวเองจะใช้ เพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษนั้นตั้งใจเพื่อการบริจาคโดยชอบอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้ววัตถุที่ห่วงแหนหรือวัตถุไม่มีวิญญาณอันใดเกิดขึ้นการผูกใจในทานสี่ประการคือคือปกติแล้วเนี่ยนะอะไรมันจะสมยิ่งใหญ่เท่ากับความห่วงแหนเนี่ยนะไม่มีอีกแล้วบางทีเนี่ยอย่างที่เขาคุยกันว่าทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะ อย่างบางคนบอกเออเนี่ยนะถ้าหากว่าอยู่ๆนะพวกเราเกิดถูกหวยได้ร่ํารวยกันมาขึ้นมานะคำว่าถ้ามีสักล้านหนึ่งผมให้คุณเลยทันที500อยอย่างเงี้ยนะอีกคนหนึ่งเศร้าใจทันทีเลยนะบอกโอยทำไมดูถูกเราทําไมให้เราน้อยหรือบางทีเนี่ยคิดไปคิดมาถ้าเรามีนั่นมีนี่แล้วคนมาแย่งตั้งแต่ยังไม่มีอย่างเงี้ยนะคิดแค่รู้สึกว่าคิดจะคิดแย่งคิดโกงคิดอะไรเนี่ยของอันนั้นมันไม่มีจริงๆหรอกบางทีทะเลาะกันแล้ว ออนะเขาบอกว่าเออเนี่ยนะถ้าฉันมีของนะฉันจะเก็บไว้ตรงนั้นตรงนั้นเออถ้าแกมีนะฉันจะมาขโมยของแกเอาไปตรงนั้นทะเลาะกันแล้วเ น, นี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันยึดติดตั้งแต่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีมีเนี่ยมันจึงยึดติดมากๆเลยเขาเรียกว่าการผูกใจในวัตถุทั้งหลายมีสอย่างการผูกใจในการยึดถือยึดติดเนี่ยสี่อย่าง เพราะอะไรหนึ่งเพราะการไม่เคยสะสมในการให้ทานมาก่อนไม่เคยได้สมาทานว่าคิดจะให้ชีวิอข้าวของเครื่องใช้ไม่ได้เคยคิดว่าอันนี้เราก็ให้อันนี้เราก็จะให้อันนั้นเราก็จะให้อันโน้นเราก็จะให้จะให้จะให้จะให้ไม่มีเมื่อไม่เคยคิดว่าจะให้ใจมันก็ไม่ยอมให้อันนี้หนึ่งนะเพราะตัวเองไม่เคยคิดว่าจะต้องให้ข้อสอง ความที่วัตถุห่วงแหนมีน้อยหมายความว่าของเนี่ยมันไม่ค่อยมีเนี่ยมากอะนะจริงๆเออนึกอยากให้เหมือนกันแต่แหมอธิบายแล้วมันมีน้อยเกินไปที่จะแบ่งให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นเก็บไว้ดีกว่ากระว่าวัตถุหวงแหนมีน้อยแปลว่าขาดแคลนปัจจัยว่างั้นอย่างที่หลายๆคนเขาบอกโอ้นี่อยากจะทําบุญเหมือนกันแต่แหมมันขาดแคลนปัจจัยเหลือเกินเนี่ยนะมันขาดแคลนปัจจัยนะถ้ามีนะก็จะทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น นะอันนี้เรียว่าอ้างความขาดแคลนก็เลยไม่ได้ให้ทานอย่างที่สองให้ได้ยังไงอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบดูเรียกว่านั่งคัดจริงๆก็อยากจะโล่ให้ให้ทานเหมือนกันนะอันนี้ก็เอออันนี้ก็ที่แรกว่าจะให้เยอะแหละคัดไปคัดมาเนี่ยมีของให้อยู่นิดเดียวเนี่ยนะผมไม่มีของอะไนสมควรกับการให้สมควรเราใช้แต่เพียงผู้เดียวเรียกว่าความยึดติดความรักความทะนุถนอมหวงแหนในของที่จะให้ อย่างที่4ี่เขบอกว่าความคิดถึงความสิ้นหมดสิ้นหรือว่ากลัวจะสิ้นกลัวจะเปลืองโดยใช่เหตุเนี่ยนะให้ไปให้มาบางคนคิดไปคิดมาถ้าเราให้เออแล้วเราจะไปใช้อะไรแล้วเราจะไปกินอะไรต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ทําเป็นเหมือนรอบคอบนะทำเหมือนฉลาดมากแต่จริงโง่จะตายเนี่ยนะคิดว่าเหมือนกับตัวเองเนี่ยฉลาดมากไม่ต้องให้หรอกนะของใครใครอยากได้อยากมี ก, ก็หากินเราเองสิเพราะนั้นของเราก็จ้องเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวเราจะไม่ให้จะไม่แบ่งปันทั้งนั้นแหละ อันนี้ครับพวกนี้กลัวคิดถึงแต่ความหมดสิน้นถ้าเป็นอย่างนี้จะทํำยังไงหนึ่งเพราะตัวเองไม่เคยให้มาก่อนก็ต้องตนีและนะสองของก็มีน้อยสแล้วก็ของตัวเองก็รักมากสี่ถ้าให้ไปแล้วจะเหลืออะไรมาแก่ยังไงสมุท่าท่าถ้าเกิดความคิดแบบนี้ขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยแก้อย่างไรพร ะ, ะอูบายที่จะแก้ท่านบอกว่าในการใดเมื่อทายรทร ม, มีอยู่แก่พระโพธิสัตว์ ของที่จะให้นี่มีอยู่ละผู้ขอก็ปรากฏจิตในการนั้นไม่แล่นไปไม่ก้าวไปมันเกิดนึกไม่อยากให้ขึ้นมาทันทีเลยนะไม่อยากให้อะทาไงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนั้นควรแน่ใจในข้อนั้นได้ว่าบอกตัวเองไว้เลยนะสมมติว่าของที่จะให้ก็มีผู้รับก็มีแต่เราไม่อยากให้เนี่ยบอกตัวเองไว้เลยว่าเมื่อก่อนเราไม่สะสมการให้ไปแน่เรานี่ไม่ใช่นักให้ไม่ใช่นักบริจาค ไม่ใช่นักเสียสละเพราะฉะนั้นของที่จะให้มีอยู่ผู้รับก็มีอยู่ทำไมเราไม่ให้แสดงว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนี้มานานแล้วน ะ, ะนิสัยแบบนี้เรามีมานานเต็มทีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นบัตรนี้ความต้องการที่จะให้ของเราเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในใจทาไมทาไมทำไมเราไม่คิดจะให้แก ค, ครับทำไมเราใจจืดใจดำจังเลยเนี่ยทั้งจืดสนิทเนี่ยนะ ก, ก็ดาปีเลยนะทั้งจืดทั้งดาด้วยใช่อะไรก็ไม่ได้ มันก็ไม่ดำพอที่จะเอาไปทำเป็นสีดำได้นะมันก็เลยไอ้ดำประเภทใช้งานไม่ได้ดำเสียหายนี่แหละก็เลยมามาแค่ว่าบอกตัวเองว่าเรานี้อัทยาสัยของเราเนี่ยช่างช่างโหดร้ายแท้เนี่ยนะช่างช่างเสียหายแท้อย่างบางคนที่เขาบอกว่ามองเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะเห็นเดรัจฉานตกทุกข์ได้ยากสมมติเห็นปลามันขึ้นบกดิน้นรนเนี่ยนะ ปกติแล้วควรที่จะสงสารปลาใช่ไหมไอ้ใจจืดใจดํามันบอกโอ้ดได้แล้วปลาต้มมาหนึ่งแล้วนะได้ปลาเอาไปต้มแล้วก็กคือใจจืดใจดําแท้เอามาเคยครั้งหนึ่งบอกโอ้เรานะเคยเล่าให้โยมฟังโยมก็ตอบว่าเออเขาก็ว่าถูกนะก็นั่นก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเนฮะ้ยสมัยที่เราเป็นชาวบ้านเนี่ยนะเป็นเด็กชาวบ้านหาปลาตามท้อ ง, งานาเนี่ยเราไปเห็นปลาแม่ปลาแล้วก็มีลูกปลาเยอะๆเนี่ยนะ มีแม่ปลามีลูกปลาเราเห็นเนี่ยเราไม่ได้สงสารนะเออแม่ปลามันต้องเลี้ยงลูกปลาบอกไม่โอ้โหเนี่ยนะทำยังไงเราจะเอาแม่ปลาตัวนี้ไปต้มได้บอกโอ้ใจดําแท้ว่าือนกันทําไมเราช่างใจดําแท้โยมเขาบอกว่าโอ้ยก็ว่าไม่ใช่ร่างกายดําอย่างเดียวเขาใจก็ยังดําอีกเขาว่าเงินไม่สงสารเลยกระทั่งแม่ปลาเลยเขาบั้นบอกเออพูดถูกต้องเหมืงงนอนนนะเพราะอะไรเพราะไม่เคยสั่งสมอัธยาศัยแบบนั้นมาเนี่ยนะ มันก็ต้องใครที่ตระหนี่ในวัตถุทั้งหลายก็แปลว่าไม่เคยสั่งสมอัธยาสัยที่จะให้เมื่อไม่สั่งสมอัธยาสัยที่จะให้จิตใจที่หวงแหนจิตใจที่ตระหนี่ก็ย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นบริจาคน้อมไปเพื่อการบริจาคมีมือสะอาดยินดีในการสละเมื่อมีผู้ขอก็มีใจยินดีในการแจกทานด้วยการให้ทานด้วยคิดว่า ตั้งไว้เลยว่าตั้งแต่นี้ไปเราจะมีใจยินดีในทานเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าสมาทานบอกตัวเองว่าฉันจะยินดีในการให้มีความสุขที่จะให้พอใจที่จะให้เอาเถิดเราจะให้ทานตั้งแต่วันนี้เรียกว่าสมาทานที่จะให้พันครั้งมันให้ด้ครั้งเดียวนี้ก็สาเร็จแล้วนะ แล้วก็ตั้งอย่างนี้สมาทานสักล้านครั้งมันให้ได้ร้อยครั้งนี่ก็ประสบความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันหนึ่งตั้งว่าจะให้สักหมื่นครั้งมันให้ได้ของได้บาทเดียวก็ยังดีขอให้มันมีจิตที่จะให้ให้มันอสัศรสมอัธยาศัยที่จะให้อันโน้นก็จะให้อันนี้ก็จะให้ก็มองดูแล้วเออมีอะไรบางที่ให้ไม่ได้ก็ให้ได้หมดอะแต่ในเวลาอันสมควรเพราะว่าการให้ทานที่ถูกต้องเนี่ยเช่นเป็นกาลันยูบุคคนเนี่ยนะเพราะว่าทานของสัพบุรุษทั้งหลายให้ถูกการให้ถูกเวลาให้ถูก บุคคลให้ทานที่เหมาะสมเขาให้เป็นไม่ใช่บอโอยฉันให้หมดเลยก็เลยอะไรนะ่ยกให้หมดเสร็จแล้วเออตัวเองทำไงกันเนี่ยคือเขาไม่โง่อย่างนั้นหรอกเนี่ยนะเพราะนั้นเขาเออเขามรีระบบการให้ให้แบบฉลาดแบบมีสติปัญญาแต่ตั้งตนไว้เลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ให้เนี่ยนะใจจะยินดีในการให้เราจะมีมือสะอาดพร้อมที่จะหยิบให้ได้ทันทีมีใจเสียสละในการให้ยินดีในการแจกจ่ายว่า ออของอันนี้มีอย่างนี้เราจะไปให้อย่างนี้มีอย่างนี้เราจะให้อย่างนั้นอย่างนั้นเพราะการผูกใจในทานข้อที่1เป็นอันถูกขจัดไปด้วยการตัดขาดไปด้วยประการชนิดคือการติดใจที่ไม่ให้ทานเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะการสะสมอัธยาศัยไม่ให้ไม่ให้ทานมานานอันนี้ก็เท่ากับว่ามาสมาทานอัธยาศัยแห่งการให้บอกตัวเองบ่อยๆ ย, ย้ำตัวเองบ่อยๆจนกว่าจะว่ามีความสุขที่จะให้ทันที เนี่ย้ําแล้วย้ําอีกว่าเราจะให้เราจะให้คิดถึงถึงของที่จะให้สมาทานย้ําอยู่จนจนเรียกว่าให้เมื่อไหร่ก็ให้แบบสบายเลยเรียกว่าแทบไม่ต้องมานั่งเออนี่จําเป็นต้องให้อย่างนั้นนี้ต้องเกลียยกล่อมตัวเองไม่เนี่ยนะจนมีอัธยาศัยแบบเราไม่ต้องกล่อมตัวเองเนี่ยนะเช่นเขาด่าเราโกรธทันทีเลยนะอันนี้ต้องกล่อมตัวเองวันนี้เขาด่าเรานะเขาทําให้เราเสียใจนะเพรา ะ, ะเราต้องโกรธเขานะเ น, นี่ยต้องต้องอธิบายไหมอ่าทำไมอ่ะ วุ้ยอย่างนี้มันมาสมาทานมานานแล้วว่าเราต้องโกรธเนี่ยนะท่านนี้ก็เหมือนการทานก็เหมือนกันถ้าเราสมาทานไว้ดีๆตั้งจิตไว้ดีๆใคร่ครวญไวด้ดีๆต่อไปเนี่ยจใจน้อมไปจะให้โดยที่ไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นพร้อมที่จะให้มีความสุขที่จะให้นะยินดีที่จะให้อย่างเด็กบางคนเนี่ยนะเกิดมานี่คิดให้เลยอย่างพระเวสสันดรแลกันนะพระเวสสันดรพอเกิดในท้องแม่ปั๊บเนี่ยแม่น้อมอยากให้ทานอย่างเดียว พอคลอดออกจากคันปับสิ่งแรกเลยก็บอกแม่มีตังไหมจะให้ทานอย่างที่สต่อไปเนี่ยมีของเครื่องประดับถ้าถอดออกวางกับมือผู้ใดแปลว่าให้ผู้นั้นไปเรียบร้อยแล้วอยากคิดนะว่าจะเอาคืนมันไม่มีมีแต่ให้ให้ใ ห, ให้มาอายุแปดขวบนี่บอกว่าจะให้ทั้งร่างกายและชีวิตอยากได้อะไส่วนไหนก็ให้เอาไปหมดเลยเนี่ยนะหลังจากนั้นเจริญเติบโตมาอีกก็ให้ให้ให้ใหใหจนเขาไล่ออกจากบ้านจากเมือง นะพอไล่ไปนอกออกไปอยู่บ้านเมืองที่จริงเขาเป็นข้อดีสําหรับท่านเพราะอยู่ในบ้านเมืองเนี่ยท่านก็ไม่มีโอกาสให้บุตรให้ภริยาให้อะไรเป็นทานได้เพราะท่านเป็น ก, กษัตริย์เนี่ยนะนเมื่อไปอยู่ป่าอยู่เขาชูชกก็จึงกล้าขอลูกขอบนะเท้าสาก่ า, ก, าก็มาขอภริยาไปก็เลยสามารถให้ได้ทั้งหมดทําบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นให้เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์มันถ้าสมาทานได้เต็มที่อัธยาศัยในการให้จะเต็มเปี่ยมเช่นกัน พระเวสสันดรเนี่ยนะพระเวสสันดรนั้นมีอัธยาศัยในการให้อย่างเต็มที่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดเองนะ <c oughs> ไม่ใช่เกิดขึ้นเองแต่ไปเกิดจากการสมาทานเกิดจากการสั่งสมเกิดจากการบอกการกล่าวการสั่งสอนเนี่ยนะเขาเรียกว่าอบรมมาเป็นอย่างดีอันนฝึกมาเป็นอย่างดีสมาทานมาเป็นอย่างดีอธิฐานมาเป็นอย่างดี น, งนะตั้งเป้าหมายเขาเร fried, ียกว่าน้อมว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะน้อมไปเพื่อจะให้ สัตอื่นจนไม่มีตรนีห่วงแหนในเรื่องของมหาพูดเลยไม่มีมหาพูดรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธภาษใดาที่ตัวเองจะห่วงแหนถึงขนาดให้ทานไม่ได้เนี่ยนะเพราะใจของเรายินดีในทานท่านบอกว่าอย่างนั้นเพราะใจของท่านยินดีในทานอัธยาศัยของท่านน้อมไปในทานสมาทานเพื่อการให้ทานเนี่ยนะมัน ก็ต้องสะสมอัธยาศัยอันนี้จนชํานาญเหมือนอัธยาศัยชอบอยังไงใช่ไหมเห็นของถูกใจปับ๊บชอบทันทีไม่ต้องอธิบายสีสวยๆก็ไม่ต้องอธิบายว่าทําไมต้องชอบอยังไงไม่ต้องเสียงเพราะก็ชอบกลิ่นหอมรสอร่อยเป็นต้นเราชอบทันทีโดยไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นแหละนะอย่างที่เขาบอกว่าถ้ามีคนวิจารณ์กันว่าเอเด็กบางคนเนี่ยนะไปทานอาหารบางอย่าง ทำไมเด็กมันรู้นะมันเลือกคานของอร่อยเป็นอะนะผู้ใหญ่เขาคิดกันนะเขามาคุยกันว่าทําไมเด็กคนนี้มันฉลาดเลือเกินเนี่ยมันรู้นะว่าอะไรเป็นของอร่อยเวลาให้มันสั่งสั่งเอาแต่ของอร่อยอร่อยบอกเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายกันหรอกมันเป็นกันโดยธรรมชาติเขาว่ากั้นเพราะสมาทานอธิษฐานแบบนั้นมานานเนี่ยนะยังเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราพร้อมจะเสียใจพร้อมที่จะไม่สบายใจพร้อมที่จะงุดหงิดพร้อมที่จะรําคาญเพราะอะไรเพราะเราสะสมอัธยาศัย แบบนั้นมานานเราเห็นอะไรเราก็ไม่คิดอริยสัจเพราะเราสะสมโมหะอัธยาศัยมานานเนี่ยนะอัธยาศัยแห่งความงูกเข่ามานานฉันใดตรงกันข้ามพระโพธิสัตว์ท่านก็สมาทานท่านก็อธิษฐานท่านก็สั่งสมอัธยาศัยในทานมาเป็นอย่างดีทั้นการสมาทานการอธิษฐ า, านกา ร, าการตั้งความปรารถนาว่าเราจะต้องให้อันนี้เป็นวิธีขจัดกําจัด สภาพจิตที่ปฏิเสธในการให้ทานเพราะตัวเองสะสมการไม่ให้มานานเนี่ยนะก็ยังเรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยพื้นฐานจริงๆท่านก็คือคนธรรมดาเนี่ยนะท่านก็คือปุตุชนธรรมดาเท่านั้นแหละแต่เป็นคนธรรมดาที่ฝักใยในคุณธรรมชั้นสูงเป็นคนระดับล่างแต่ฝักใยทำชั้นสูงเครียกว่ามักใหญ่ใยสูงเนี่ยนะมักคุณธรรมที่ใหญ่ๆแล้วก็คุณธรรมที่สูงที่สุด เรียกว่ามักใหญ่ฝ่ายสูงเนี่ยนะไม่ใช่ลักษณะแบบหรือมีความทะเยอทะยานเพื่อขึ้นสู่ที่สูงเพราะฉะนั้นท่านจึงสมาธิมีการสมาทานมีการอธิษฐานเนี่ยนะเพราะฉะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำพูดเหล่านี้จริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะกะคำว่ามักใหญ่ฝ่ายสูงมีความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้ามีความต้องการที่ชัดเจนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคําที่ถูกต้องนีนะควรเป็นอย่างนั้น แต่ทีนี้คนที่มีโทสะเอาคําเหล่านี้มาเสียดสีคําเหล่านี้ก็เลยเสียหายเนี่ยนะเอาไว้กะแนะกะแหนการเอาไว้เสียดแทงซึ่งกันและกันเอาไว้จิ้มให้อีกฝ่ายหนึ่งหนักใจว่าอั น, นี้มันทะเยอทยานอั น, นี้ ม, นมันมักใหญ่ไฟสูงเป็นตนน้นนะเรียกว่าเป็นคํากําจัดจุดอ่อนก็ว่างั้นถ้าเป็นพูดแบบขับรถเรือก็คือเจาะยางเรียบร้อยเลยนะจนรถแฟบคลายอยู่ตรงนั้นนะแทนที่จะส่งเสริมกันกลับไม่ส่งเสริมกลายเป็นว่า ทำให้มีแต่เรียกว่าหักลาง น, น้ำใจกันเนี่ยนะปฏิเสธน้ำใจคนอื่นที่เขาตั้งอัธยาศัยดีๆก็แทนที่จะส่งเสริมก็กลับไม่ส่งเสริม